หมอที่เดินมาด้วยกันมองท่านโยคานันทะพร้อมกับรอยยิ้มเก็นบน้ําตาเอาไว้ก่อนดีกว่าหนะ้าจะรีบร้องอะไรกันตอนนี้ยังไม่ทันรู้เลยว่าตายจริงหรือเปล่า<ก>เมื่อเรือมาเทียบท่าที่กะละกัตตาพิสนุน้องชายคนสุดท้องก็มายืนรอรับอยู่ที่ท่าเรือ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 ว่าจจจักใจของท่านโยคานันทะบังเกิดผลเป็นจริงตามนั้นทุกประการค่ะภายใน30วันน้ําหนักตัวของนลินีได้เพิ่มขึ้นจนเท่ากับท่านโยคานันทะผู้เป็นพี่ชายอย่างที่เธอใฝ่ฝัน mm hmm. การที่เธอมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็ทําให้อวบอิ่มมีน้ํามีนวลทําให้สวยขึ้นสามีก็หันมารักใคร่ใหญ่ดี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 และปฏิบัติตอบโต้เป็นรากศัพท์เดียวกับคำว่ากรรมนะคะอันเป็นหลักของกฎว่าด้วยเหตุและผลโดยธรรมชาติกิยากรรมเป็นรากศัพท์คำเดียวกันโดยเหตุนี้กิยุทธโยคะจึงหมายถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าผ่านทางการกระทาหรือพิธีกรรมบางอย่างโยคีผู้มุ่งมั่นปฏิบัติกิยุโยคะโดยไม่ย่อท้อ